วันนี้มาผิดคิวเปล่าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์นี่ให้เรางงเลยเราจำผิดวันหรือเปเป็นไงจะมาถึงมาวันนี้เสร็จอดีไปบุญเดียวาดมาว่นเช้าที่ผ่านงานขามวดแล้วไม่ใช่เหรอขมดตั้งแต่เมื่อวานไม่ใช่เสร็จดึกมาก ทำอะไรถึงเซ็งสวัสดีนะพระธาตุสงไขอเนี่ยังมีเหลืออยู่อีกยังมีเหลืออยู่อีกอ่ะท่ีกแจ้งว่าท่านจะเด็กมา พระธาตุเสด็จมาไม่รู้นะไม่เคยไม่เคยได้ยินก็พระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วร่างกายของท่านก็ได้รับการชาบานกิจไปเรียบร้อยแล้วพระธาตุก็ได้รับการแจกไปเพื่อบรรจุตามสถานที่ต่างๆแล้ว ทีนี้มาจากไหนองมาก็มาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร mm. พระธาตุก็เป็นพระธาตุพระธาตุก็เป็นเป็นกุดูกของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้า ที่หลังจากที่ร่างกายเส้นลมแล้วทำการชาภนกิจแล้วก็จะเหลือส่วนที่เหลืออัฐิกับขี้เท่าอัฐิบางส่วนก็เป็นาธาตุถ้าเป็นาธาตุก็เป็นการ รับรองมือว่ายืนยันว่าพระร่างกายของพระรูปนี้เลยคารวดคนนี้ได้ปฏิบัติจิตหลุดพ้นจากการเก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นพระอารันตสาวกแล้วในขณะที่ ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ได้มารู้ถึงพันธิพานแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศ จ, จากกิเลสตัณหาจิตที่บริสุทธิ์นี้ท่านบอกว่าจะซักพอกกระดูกบางส่วนบางชิ้นบางจุด ให้กลายเป็นาธาตุขึ้นมาอันนี้เป็นเฉพาะจิตที่บริสุทธิ์ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์นี่จะไม่สามารถฟอกาธาตุหรือแปลงาธาตุแปลงกระดูกให้เป็นพระาธาตุได้อันนี้ก็เป็น เหมือนกับการรับรองว่าบุคคล น, นั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วแต่สำหรับบางท่านที่จิตได้หลุดพ้นแล้วแต่ถ้าเวลาระวัง ที่หลุดพ้นกับเวลาที่ตายมันเป็นระยะเวลาไม่นานท่านบอกว่ากระดูกก็จะไม่กลายเป็นพระธาตุก็ได้เพราะว่าเวลาในการที่จะแปลงหรือซักพอกกระดูกให้เป็นธาตุมันมีเวลาระยะเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นบางทีก็ดู ดูที่พระธาตุไม่ได้ว่าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี้ได้บรรลุถึงพานิพานหรือไม่กพราถ้าท่านบนรรลุแล้วตายไปในระยะเวลาอัน ใ, นใกล้กระดูกก็จะไม่กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาดันั้นก็เรื่องดูดูดูล่างกายดูาธาตุก็ไม่แน่ ไม่แน่นอนร0อยเปอร์เซ็นคือถ้าเป็น้าก็ร้อยเอร์เซ็นแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นนอกจากผู้ที่ได้อยู่ในระดับเดียวกันและได้สนทนากาันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ ก็จะรู้กันเช่นหลวงตานี่ท่านชอบไปคุยกับครูบาอาจารย์ต่างๆองที่ท่านคิดว่าสำเร็จแล้วท่านก็จะไปสนทนาหลังจากสนทนาแล้วท่านก็จะรับรองว่าท่านสำเร็จแล้ว <c oughs> เคยได้ยินท่านเล่าเรื่องคุยกับหลวงปู่แหวน กับน้องคุยกับพระหลวงปู่ขาวท่านมีโอกาสได้คุยกันสนทนากันถามเรื่องการปฏิบัติกันจนท่านก็ไม่สงสัยในตัวของหลวงปูแ่แวนในตัวหลวงปู่ขาวอันนี้ก็จะรู้ได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ผู้ที่อยู่ระดับต่ํากว่าจะไปสอบไปไปสอบภูมิของผู้ที่มีระดับที่สูงกว่ายอ่อมเป็นไปไม่ได้เห็นผู้ที่จบปริญญาตรีจะไปสอบภูมิของปริญญาโทนี้ไม่ได้ผู้ที่จับจบโทจะไปสอบภูมิของผู้ที่จบปริญญาเอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เรียนถึงขั้นนั้น แต่ผู้ที่จบอยู่ขั้นเดียวกันนี่พอที่จะสอบถามกันได้เพราะต้องเรียนเหมือนกันต้องผ่านการเรียนการสอบมาเหมือนกันผู้ที่มีภูมิที่สูงกว่าจะรู้ผู้ที่มีภูมิที่ต่ากว่าแต่ผู้ที่มีภูมิที่ต่ากว่านี้จะไม่รู้ผู้ที่มีภูมิที่สูงกว่าจะรู้ เฉพาะผู้ที่มีภูมิเท่ากันหรือต่ำกว่าอย่างพระโสดาบาันนี้จะไม่รู้ว่าองค์นี้เป็นพระสกิดาคาหรือเปล่าองค์นี้เป็นพระอนาคาหรือเปล่าองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์หรือเปล่าคือจะไม่รู้แบบแน่ใจอาจจะรู้เพราะความเลื่อมใสศรัทธาอย่างพวกเราไปกราบว่ว้กูบาร์จานรูปนั้นรูปนี้ เราก็มีความศรัทธาความเชื่อว่าท่านได้ถึงภูมินั้นภูมินี้แล้วแต่ก็เป็นความเชื่อที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากการปฏิบัติของเราเองจากปัญญาของเราเองเป็นการเชื่อเป็นศรัทธาความเชื่อ แต่ที่ได้ยินเรื่องพระธาตุเสด็จมาจากที่นั้นที่นี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมามารับรองความความเป็นจริงว่าจริงหรือไม่อย่างไรมีคนเคยเอาธาตุมาให้เราพระธาตุมาให้เราเราก็รับไว้แต่เราก็ไม่รู้เป็นพระธาตุหรือเป็นอะไรเพราะมันก็เหมือนกับเอ มันก็เป็นาธาตุอาจจะเป็นาธาตุธรรมดาก็ได้าธาตุก็คือก้อนหินเล็กๆเหมือนดูบางทีก็เป็นเหมือนเพชรเหมือนพลอยหรืออะไรทำนองนั้นแต่มันไม่มีที่มาที่ไปอะนั mm ้น hmm. ก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ใช้การลมาสูตรนํกรรมาการละมาสูตรก็คือ อย่าไปเชื่อโดยที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธไม่เชื่อแต่ไม่ปฏิเสธก็รับฟังไว้เฉยๆเขาว่าเป็นทา่าเสด็จมา ก, ก็รับฟังไปว่าเป็นทา่าเสด็จมาเสด็จมาอย่างไรมีเครื่องบินมีรถมีเรือ หรือมีอะไรเอพายท่านเสด็จมาแล้วเป็นเป็นของพระพุทธเจ้าองค์ไหนองค์นี้หรือองค์ไหนเออคือมันไม่มีที่มาที่ไปเหมือนเวลาที่เขาเอาของมาขายแล้วบอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นทองคําแท้ แต่ไม่มีหนังสือรับรองอะไรอย่างนี้เราจะไปเชื่อเขาหรือเปล่าเร า, าต้องขอเอาไปสอบถามที่ร้านขายทองก่อนไปถามผู้ที่รู้ว่าทองนี้เป็นทองจริงหรือทองไม่จริงถึงจะเชื่อได้ แต่ถ้าไม่มีที่มาที่ไปไม่มีการรับรองก็ไม่รู้ว่าจะจะเป็นจริงหรือไม่เลืออาศัยว่าเราเชื่อเครดิตของคนที่พูดคนที่เขาเอามาบอกว่าเป็นทองจริงจริงอันนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกได้ถ้าไม่ได้พิสูจน ด้วยหลักจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งความเชื่อนี้มันก็มีแบบว่าเชื่อแบบงมงายเชื่อเลยใครเขาว่าอะไรมาก็เชื่อเลยแต่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงเอ ได้มาแล้วก็ไม่มีไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตของเราก็เหมือนเดิมกิเลสก็ไม่ได้หายไปจากจิตจากใจ อ, อันนี้เชื่อแบบนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสู้เชื่อแบบทำให้กิเลสหายดีกว่า เชื่อแบบทำให้กิเลสห้เชื่ อ, อยังไงก็ต้องเชื่อแบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อสอนให้เชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้านำเอาไปปฏิบัติกิเลสก็จะหลุดออกจากใจได้อันนี้พิสูจน์ได้เป็นความเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า อุตจ้าบอกเป็นคำสอนที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดได้สิ้นกิเลสได้ทำให้กิเลสทั้งหมดที่มีอยู่ในใจหายหมดไปจากใจอันนี้เชื่อแล้วต้องไปพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อเฉยๆไม่ใช่พอเชื่อปั๊บกิเลสจะหลุดออกจากใจเลยจะเป็นพระอารหันต์เลย ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ดีพวกเราจะได้ไม่ต้องมาทุกยากลําบากกับการปฏิบัติเพียงแต่เชื่ออย่างเดียวพอเชื่อเชื่อว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพอเชื่อปความทุกข์ก็หายหมดไปจากใจเลยอันนี้ก็ก็ดีนะครับ แต่ถ้าไม่เชื่อเลยก็ไม่ได้ครับคือถ้าเจอพระพุทธเจ้าเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ยินว่าถ้าได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่เชื่อเอไม่เชื่อกลัวจะถูกหลอกกลัวว่าเป็นคำงมงมงาย ไม่เชื่อก็เลยไม่ปฏิบัติตามเมื่อไม่ปฏิบัติตามก็เลยไม่รู้ว่าคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้านี่สามารถทำจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หรือไม่ความเชื่อทางศาสนานี้เป็นความเชื่อให้เราเชื่อเพื่อที่เราจะได้นำออกไปพิสูจน์ เชื่อห้าสิบห้าสิบก่อนเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตเพราะยังไม่เห็นผลที่ที่ที่ที่จะเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ต้องนำเอาไปปฏิบัติพอนำไปปฏิบัติแล้วกิเลสค่อยหายไปทีละตัวสองตัวความทุกข์ ค่อยหายไปทีละตัวสองตัวปฏิบัติไปเรื่อยอ ย, ยิ่งปฏิบัติมา ก, กกิเลสก็ยิ่งหลุดมากหายมากความทุกข์ก็หายมากอย่างนี้ก็เชื่อร้อยเปอร์เเชื่อว่าพาารารทมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนเพื่อนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลาย ต้องเชื่อแบบนี้เด๋ยมันจะได้มีประโยชน์กับเราแต่การเชื่อว่าพระธาตุเสด็จมาเชื่อแล้วทำอะไรต่อไปก็เก็บไว้ในเจดีอีกสองวันก็ลืมไปแล้ว ก, ก็ปล่อยให้ท่านอยู่ในเจดีไปเราก็ไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเพราะการเชื่อพระธารนี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนเนี่ยหรือว่าความเชื่อนี้นำไปสู่การปฏิบัติถ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจรงิงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติ ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกทั้งหลายถ้าเชื่อแล้วลองไปปฏิบัติดูก็จะได้รับผลตามที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าเชื่อแบบนี้ก็ดีคือการที่มีพระทานนี้การที่เขาบอกว่าเป็นพระทานของพระพุทธเจ้านี้ ก็เป็นการยืนยันว่ามีพระพุทธเจ้าจริงมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้มาเผยแผ่ทำให้แก่สัตว์โลกละสัตว์โลกผู้ที่น้อมนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องนำอาอกไปปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเหมือนกับหน้าที่ของพระธาตุพระธาตุนี้มีไว้เพื่อให้เราได้รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าจริง เมื่อมีพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นจริงแล้วก็ถ้าคำสอนเป็นจริงผู้ที่บรรลุผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยสงสารวกก็ต้องเป็นจริงอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย หาอุบายต่างๆมาหว่านล้อมให้จิตใจของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดมีศรัทธาความเชื่อขึ้นมาอย่างน้อยก็ไม่ให้ปฏิเสธอย่างน้อยก็ไม่ให้ไปปฏิเสธแบบไม่เชื่อเลยอย่างน้อยให้เชื่อแล้วก็ให ไปลองพิสูจน์ดูอีกทีแต่ถ้าเชื่อแล้วไม่พิสูจน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีเชื่อแล้วก็ไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจที่จะนำเอาไปปฏิบัติการที่เชื่อว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร ถ้าเอาไปปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้ก็เป็นประโยชน์2ระดับระดับโลกียะกับระดับโลกุตตะอยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ศรัทธาวิริยะอุตสาหะของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติว่าจะปฏิบัติในระดับไหน ถ้าปฏิบัติในระดับโลกิยะก็จะได้ประโยชน์ในระดับโลกิยะระดับโลกิยะก็คือระดับของผู้คองเรือนเป็นส่วนใหญ่คารว่าผู้คองเรือน <c oughs> ถ้าระดับโล ก, กุตระนี่ก็เป็นระดับของนักบวชเพราะการจะเข้าสู่ระดับโล ก, กุตระได้นี่ จะต้องมีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเป็นผู้คองเรือนยังมีภารกิจหน้าที่ต่างๆอยู่จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติเข้าสู่ระดับโล ก, กุตตระได้ยกเว้นผู้คองเรือนบางคนที่ไม่มีภารกิจการงานต่างๆให้ทำอยู่เหมือนกับเป็นนักบวชแต่ไม่ได้บวช แต่ก็มีเวลาปฏิบัติเท่าเทียมกับนักบวชนะสามารถปฏิบัติทำระดับเดียวกับนักบวชได้ก็สามารถบรรลุได้แต่เป็นส่วนน้อยผู้ครองเรือนที่จะบรรลุโลกุตรรธรรมคือธรรมของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ต, งตงั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไป จนถึงขั้นของพระอรหันต์เพราะการจะบรรลุทําขั้นระดับโล ก, กุตตระได้นี้ผู้ปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่มีกิจภาร ก, กิจอย่างอื่นถึงแม้มาเป็นนักบวชแต่ถ้าไปทําภาร ก, กิจอย่างอื่นก็ไม่บรรลุกัน คำว่าการเป็นนักบวชนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะเข้าถึงโลกุตระธรรมนักบวชนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับภารกิจอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับภารกิจที่จะนําไปสู่การบรรลุโลโกตระธรรมก็จะบรรลุไม่ได้นักบวชนี้ท่านให้ทำธุระสองงนคันธะธุระกับวิปัสสนาธุระ คันธุระก็ให้ศึกษาคัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเก ว, ว่าวิปัสนาธุระคันธะคือการศึกษาวิปัสนาธุระคือการปฏิบัติแต่ถ้าไปทำกิจอย่างอื่นไปทำภารกิจอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นภารกิจเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาภาพบางรูปท่านก็ไปทำภารกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนช่วยเหลือเด็กพิการช่วยเหลือเด็กยากจนทำโรงเรียนเด็กกำพร้ามีโรงเรียนเด็กกำพร้าทำประโยชน์ทางโลกทางสังคม อันนี้ถ้าท่านยังอยู่ในขั้นที่ต้องปฏิบัติต้องศึกษาอยู่ท่านก็จะไม่มีโอกาสที่จะบรรลุรมขั้นโล ก, กุตระได้ท่านก็จะได้ทำในระดับโลกิยะคือทำระดับทานกับศีลห้าพระเป็นพระก็รักษาศีลห้าขึ้น ศีลสองร้อยยีิบเจ็ดเนี่ยก็มีศีลห้าอยู่ในนั้นแล้วก็ทำทานมีลาบสักการะมาก็เอาไปทำประโยชน์ให้กับทางโลกช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตาม แต่ไม่ได้เอาเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติคันธะธุระวิปัสนาธุระก็จะไม่สามารถเข้าสู่โลกุตตรละรมได้ถึงแม้จะเป็นนักบวชก็ตามแต่ไม่ทำหน้าที่ของนักบวชนะไม่ทำงานของนักบวชไม่ทำธุระของนักบวชธุระของนักบวชก็คือคันธะธุระวิปัสนาธุระแต่ไปทำธุระ ของผู้ของเรือนแต่สําหรับพระที่ท่านสําเร็จงานของท่านแล้วท่านผ่านคันธาตุระแล้ววิปัสนาทุระแล้วท่านจะมาทํางานทางโลกิยะนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับท่านเพราะท่านได้โลโกฏละรมแล้วท่านได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เวลาที่เหลืออยู่ท่านก็อาจจะเอามาสงเคราะห์โลกเพราะว่ามีมีสมรรถภาพมีกำลังที่จะทำได้เนื่องจากมีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้ถวายลาบสักการะต่างๆให้เป็นจำนวนมากที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้อง ใช้กับวัดกับศาสนาท่านก็เอาไปสงเคราะห์โลกแล้วแต่ว่าจะสงเคราะห์ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่อัธยาศัยของท่านอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยปัญหาอยู่ที่ผู้ที่มาบวชมาเป็นนักบวชนี่ว่ารู้ขั้นตอนของการ ทำธุระเหล่านี้หรือเปล่าว่าอันไหนมาก่อนมาหลังถ้ามาบวชแล้วเห็นครูบาอาจารย์ท่านไปทำสงเคราะห์โลกก็อยากจะทำตามแต่ไม่ได้เห็นตอนที่ท่านไปทำกันถธุระวิปัสนาธุระมาเห็นตอนที่ท่านมาทำงานทางโลกก็อาจจะ ประสางานของท่านต่อรับทำงานต่อช่วยสงเคราะห์โลกต่ออันนี้ก็เป็นนักบวชแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงโล ก, กุตละธรรมได้เช่นเดียวกันดะงนั้นไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสผู้ครองเรื อ, อ น, นไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือฆราวาสเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้ได้รับทำในระดับนั้นหรือระดับนี้เช่นถ้าบอกว่าถ้าเป็นคารวาสนี้ต้องได้แค่โลกิยะธรรมคือได้สวรรค์จันต่างๆเวลาตายไปแต่แล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะคารวาสบางท่านก็สามารถเข้าถึงโลกุตระธรรมได้จะไปบอกว่านักบวชทุกคนจะเข้าสู่ โลกุตละทำได้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางองค์ยิ่งสมัยนี้มีน้อยมากของพระที่เป็นนักบวชนี่ที่จะเข้าถึงระดับโลกุตละทำได้ระดับของพระอริยะเจ้ามีบวชกันเป็นแสนแต่ที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระอริยะนี่มีไม่ถึงไม่รู้ถึงพันหรือเปล่า เพราะไม่มีการทำาสถิติไม่มีใครทำสำรวจน่าจะไปทำสำรวจดูนั่หน่อยไปสัมภาษณ์พรต่างๆ <c oughs> <c oughs> นี่ก็พูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องของความเชื่อนี้เชื่อเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับเรา ถ้าเชื่อแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับเราเชื่อหรือไม่เชื่อก็เท่ากันเห็นถ้าเชื่ออะไรแล้วต้องเอาไปพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถ้ายัางพิสูจน์ไม่ได้ก็อ่ก็รับฟังไว้เฉยๆก็แล้วกันเมื่อเราไม่สามารถพิสูจน์ว่าไม่เป็นหรือเป็นเราจะบอกว่าไม่เป็นก็ไม่ได้เราจะไปบอกว่าเป็นก็ไม่ได้ ก็รับฟังไว้เฉยๆก็แล้วกันแล้วก็มาศึกษาดูว่าสิ่งที่ค้าเราเชื่อนี้จะทําอะไรให้กับเราได้บ้างหรือเปล่าถ้าถึงแม้เชื่อแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับเราเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่กิเลสมีกี่ร้อยตัวก็ยังไม่ลดหายไปเอออันนี้ก็แต่ถ้าเชื่อแล้วทําให้กิเลสหายไปบ้างเช่นอั้ เมื่อก่อนอาจจะไม่เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะพอเขาบอกว่าเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาเราก็เชื่ อ, อเชื่อแล้วก็เริ่มสนใจที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติถ้าเชื่อแบบนี้ก็ได้ประโยชน์จะได้รู้ว่ า, าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ มีจริงหรือไม่มีจริงจะรู้ต่อเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้หละจะเป็นวิธีพิสูจน์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ผู้ที่ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบัานขึ้นไปผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตใครบรรลุธรรม ขั้นโลกุตตะระนี้แสดงว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าถึงนั่นเองพอเข้าถึงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่สงสัยในผู้สอนว่ามีจริงหรือไม่มีจริงถ้าไม่มีคนสอนเราจะไปรู้ได้ไงว่าวิธีจะเข้าถึงธรรมอันนี้เข้าอย่างไรพอเราทําตามคําสอนของ พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็เข้าไปถึงธรรมันนี้เข้าถึงโลกุตาลธรรมเห็นทุกเกิดขึ้นเพราะตัณหาความอยากเห็นทุกดับไปเพราะสติปัญญาศีล ส, ส, สมาธิปัญญาพอเห็นอย่างนี้มันก็เลยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องไปดูไม่ต้องมีพระาธาตุมาให้ดูก็ได้ไม่ต้องเสด็จไม่พระาธาตุไม่ต้องเสด็จมาก็ได้ไม่ต้องไปที่สังเวช ส, สี่สถานก็ได้เมื่อวานนี้มีคนเอาหนังสือสั ง, สงเวสี่สถานมาให้ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่ต้องไปอินเดียนี่เชื่อแบบอันนี้แหละวิธีพิสูจน์ที่แท้จริง พิสูจน์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนี่ต้องศึกษาต้องพิสูจน์ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีผ้าอริยบุคคลองไหนสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลนะวิจิ ก, กิจฉาได้ร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้เป็นกิเลสตัวหนึ่งหนึ่งในสามตัวของพระโสดาบัน ท่านละท่นละส ก, กายาทิฏฐิได้ท่านละศีลพัตะปรมาท่านละวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านได้เห็นธรรมในใจของท่านที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เห็นก็คืออริยสัจ ส, สีเ่เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้น เวลาใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละนี่แหละคือทุกข์ที่ท่านต้องการให้เราเห็นแล้วให้เราค้นหาดูสาเหตุของทุกข์อันนี้ว่ามันเกิดจากอะไรเราก็จะพ้นพบาว่ามันเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แล้วพ อ, อ พ่อใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิมาพิจารณาดูความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอะไรทำไมถึงต้องไปยึดไปติดก็ศึกษาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาจากธาตุสี่ของพ่อของแม่ผสมกันแล้วก็อ า, า, าศัยธาตุสี่ จากอาหารจากอากาศจากน้ําที่รับประทานที่ดื่มก็ไปจึงทําให้เกิดเป็นร่างกายมีอาการมีอวัยวะสามสิบสองแล้วก็จเจริญเติบโตไปจนถึงเข้าสู่วัยชรามันก็ต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายของมันไปเป็นกระบวนการของร่างกายอันนี้ของทุกทุกร่างกายถ้าศึกษา เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนก็อย่าไปยึดว่าเป็นเราใครไปยึดก็ใจนี่แหละผู้รู้ผู้คิดนี่แหละที่มาครอบครองร่างกายแล้วก็ขาดปัญญามีแต่อวิชชา อวิชชาก็คือการไม่มีปัญญาคือการไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้ำนมไฟที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีขบวนการของการเกิดและมีการดับมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาพอมาศึกษาความจริงจนเห็นชัดว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราผู้ที่เราผู้ที่ไปคิดว่าเป็นเรามันไม่มันไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดนี่ส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ํานมไฟถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกขึ้นมาทันทีถ้าหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ด้วยปัญญาก็จะไม่ทุกข์กับมัน พอเห็นด้วยปัญญาว่าทุกข์เพราะความอยากเพราะความหลงไปคิดว่าเป็นเราพอพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเราก็หยุดความอยากได้เมื่อมันไม่เป็นเราเราจะไปอยากทำไมอยากแล้วทุกข์อยากไปทำไมเช่นร่างกายของคนอื่นนี่ถ้าเราไม่ไปอยากเราไม่ทุกข์กับเขาหรอก แต่ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ทุกได้แล้วร่างกายของคนอื่นทําไมบางคนเราทุกบางคนไม่ทุกคนที่เราอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะทุกแต่คนที่เราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกถ้าพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ ความหลงของเราหลอกให้เราคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราพอเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันห้ามมันไม่ได้ถึงแม้จะอยากไม่ให้มันแก่ไม่เจ็บมันตายมันก็ห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางว่าจะให้มันแก่เจ็บตายแบบทุกข์หรือไม่ทุกข์ดี ยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีแต่ถ้าถ้าไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะแก่เจ็บตายแบบไม่ทุกข์แต่ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะแก่เจ็บตายแบบทุกข์เนมันก็มีสองทางเลือกแล้วเราต้องการทางไหนดีทางทุกข์หรือไม่ทุกข์ดีไม่ทุกข์ก็ก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปเถอย่ นี่คือปัญญาเมื่อมันพิจารณาเวลาที่มันเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันจะมาพบตรงเนี่ยทางเลือกสองทางนี้จะเอาทางไหนดีจะเอาทางทุกข์ดีหรือจะเอาทางไม่ทุกข์ดีแต่ทางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีมีแต่แก่เจ็บตายทั้งนั้นแต่จะแก่เจ็บตายแบบไหนดี แก่เจ็บตายแบบไม่ทุกข์ดีหรือแก่เจ็บตายแบบทุกข์ดีก็เลือกเอาอคนที่เลือกแก่เจ็บตายแบบไม่ทุกข์ก็เป็นพระอริยะขึ้นมาพระโสดาบันก็ไม่ทุกข์กับความแก่เจ็บตายของร่างกายก็เลยไม่สงสัยว่าคําสอนพุทธเจ้าที่สอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยากนี้เป็นจริงหรือไม่การดับความทุกข์ก็ดับ ด้วยการลากความอยากเครื่องมือที่จะลกความอยากก็คือสติปัญญานี่เองด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เองต้องเห็นไตรลักษณ์ปัญญาก็คือเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่เราไปทุกข์ด้วยอย่างที่เราทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าสิ่งที่เราไปทุกข์ด้วยนั้นเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเรามักจะไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขงังอัตตา ก็เลยทุกเพราะอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตามีใครไม่อยากให้ร่างกายเป็นนิจจังสุขขังอัตตามั้งทุกคนเวลาพระให้พรสาทุท่วมหัวเลยขอให้อยู่ไปแข็งค่าปลอดภัยใช่ไหมเป็นได้หรือเปล่าพระคนให้พรยังต้องแก่เจ็บตายเลย แต่ให้ไปให้พอให้พรคนที่ต้องแก่เจ็บตายว่ามันอยากแก่เจ็บตายนะสาทุกันใหญ่เลยความจริงคนจะควรจะตอบกลับว่าแล้วหลวงพ่อไม่แก่เจ็บตายหรือยงไงคนไทยเราชาวพูดเรางมงายหรือเปล่าแบบนี้ <c oughs> แต่ไมวันเกิดมาขอพรแล้วเนี่ยวันนี้มาเช้านี้ใครบอกว่าวันนี้วันเกิดจะขึ้นมาขอพรเนี่ยมาแล้วเปล่าเลหรือเปล่อยนี่แต่ไม่ได้บอกมีคนหนึ่งมาเช้านี้ใส่มาขอแล้วมันได้หรือเปล่าขอแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่ามันก็เหมือนเดิมเออ คนที่มีปัญญาแล้วไม่ขอพอรจากใครขอไปทําไมขอให้โง่ออ่าคนที่ขอพอรเนี่ยแล้วโง่แสดงความโง่ให้เขาเห็นไม่ขอได้ที่ไหนเลยแค่คากปลอดภัยเหมือนจะปลอดภัยได้ไงเกิดมาแล้วมันไม่หนีไม่พ้นความแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนนี่แหละคือการมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ย นต้องเห็นด้วยการปฏิบัติต้องเห็นด้วยการเจอความทุกข์ถ้ายังไม่เจอความทุกข์มันปัญญามันจะไม่เกิดอย่างโบราณท่านพูดทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดนะงนั้นต้องมีความทุกข์ก่อนมันถึงทาให้เราต้องคิดกันคิดค้นหาวิธีกำจัดความทุกข์เหล่านั้นแต่ถ้ามาคิดตอนที่มัน มันมันบุกถึงตัวเราแล้วนี้ตอนนี้มันจะไม่ทันเพราะถ้าเราไม่ได้เตรียมเครื่องมา้าเครื่องมือไว้เพราะว่าเราจะต้องมีสติปัญญามีมีสมาธิมีศีลเราถึงจะสามารถที่จะดับความทุกข์ได้เหตนเราต้องทุกก่อนที่มันจะทุกข์จริงคือ ถ้าเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราจะรู้สึกทันทีว่าเราไม่ชอบใช่ไหมมีการอยากจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายบ้างความไม่ชอบเพราะมันไม่สบายใจเนี่ยมันก็บอกแล้วเริ่มทุกข์แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ทุกข์แบบเต็มร้อยเท่านั้นเองเพราะยังเพียงแต่เห็นเงาเหมันนั่นเเห็นเงาของความแก่ความเจ็บความตายก็เริ่มทุกข์แล้ว เหมือกับได้ยินเสือคำรามขึ้นมาเนี่ก็เริ่มกลัวแล้วยังไม่ต้องไปเจอตัวมันหรอกแต่ได้ยินเสียงคำรามอยู่ห่างไกลหลายหลายหลายร้อยเมตรเนี่ยเสียงมันคำรามนี่ดังกลงวานในป่าใจเริ่มสั่นแล้วเนี่ยแสดงว่าอทุกเกิดแล้วนี่ถ้านักปฏิบัติก็รู้แล้วว่าเนี่ยต้องมาเอ ดับความทุกข์เพราะตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่ตัวเสียงคำรามของเสือแต่เป็นความทุกข์ของใจที่เกิดขึ้นตอนนั้นว่าจะทํำยังไงให้ความทุกข์นี้มันไม่เกิดได้ไหมให้มันดับได้ไหมถ้าได้ศึกษาจากอธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าให้มาใช้สติใช้ปัญญาสอนใจให้จิตสงบให้ปล่อยวางให้ได้ ให้ปล่อยวางสิ่งที่ต้องปล่อยก็คือร่างกายนี่เองเพราะสิ่งที่ใจกลัวก็คือกลัวร่างกายจะตายกลัวจะถูกเสือกัดตายแต่ก็ต้องให้พิจารณาความจริงของร่างกายว่าแล้วมันไม่ตายหรือถ้าเสือมันไม่กัดแล้วมันจะไม่ตายหรือเปล่ามันก็ต้องตายอยู่ดีไม่เจอความตายกับเสือมันก็ต้องไปเจอความตายกับอะไรสักอย่างหนึงหมดลมมันก็ตายเหมือนกัน มันก็จะทุกข์เหมือนกันไม่ว่าจะตายแบบไหนถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องพิจารณาร่างกายพิจารณาว่ามันเป็นอะไรก็ต้องเห็นมันเป็นตายรักขึ้นมาไม่เห็นตายรักก็จะได้ปล่อยมันได้เพราะห้ามมันไม่ได้อนัตตานี่ห้ามมันไม่ได้มันจะแก่เจ็บตายนี่ห้ามมันไม่ได้มันจะถูกเสือกัดตายก็ห้ามมันไม่ได้แต่ ทำให้ใจไม่ทุกข์ได้กับความตายของร่างกายถ้ายอมรับความจริงว่าร่างกายในที่สุดมันก็ต้องตายไปพอปล่อยวางร่างกายยอมตายได้หายทุกข์เลยตอให้เสือมาคำรามอยู่ที่หน้าก็ไม่กลัวเหมืนอนละเพราะว่าใจไม่ได้ไปยึดไปติดกับร่างกายแล้ว ใจปล่อยวางร่างกายได้ยอมไม่ร่างกายตายได้นี่คือก็จะเห็นว่าทุกหายไปจากใจตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างทุกเกิดเพราะความอยากทุกเดืบเพราะความอยากหายไปเพราะความอยากหายไปความทุกก็หายไปอันนี้ก็เชื่อพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เ็นต ถึงแม้ไม่เคยเจอพระพุทธเจ้ามาก่อนก็เชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่มาจากปากของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเดียวท่านหนึ่งไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้ก่อนที่ไม่มีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครรู้อริยสัจสีกันไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากไม่รู้ทุกว่าการดับทุกเกิดจากการละความอยาก ไม่รู้ว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการลากความอยากก็คือศีลสมาธิปัญญาพอได้ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าส่งสอนก็เห็นตามที่ท่านสอนทุกประการเหมือนกับเปิดหนังสือท่องเที่ยวก็บอกสถานที่นั้นมีอะไรบ้างเอปิดดูเปิด ด, ด, ดูตอนต้นยังไปไม่ถึงสถานที่นั้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอารูปที่อื่นมาใส่หรือเปล่าเดี๋ยวถูกหลอกได้ เอาลูกสวยๆของที่อื่นมาใส่บอว่าเป็นของที่ที่นี่พอไปถึงที่นี่อา้าวมีแต่กองขยะเนี่ยวาใช่ไหมฉะั้น <c oughs> ต้องไปดูพิสูจน์ถึงจะรู้ว่าเออลูกที่เขาถ่ายนี้เป็นถ่ายจากที่ตรงนี้หรือเปล่าหรือไปจ่ายจะถ่ายจากที่อื่นมาแปะเอาไว้แล้วบอกว่าเป็นที่ตรงนี้อพอไปถึงที่ตรงนั้นเห็นเหมือนกันเป๊ะเลยภาพที่เขาถ่ายต้นไม้ที่เขาถ่าย อะไรต่างๆบ้านที่เขาถ่ายอะไรต่างๆเหมือนกับในรูปเปี้ยเล ย, ยนี้ก็หายสงสัยไม่รับรองได้ว่าไม่ถูกหลอกแล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าไม่มีใครจะมาหลอกเราได้เพราะมันเป็นความจริงตามที่เขาพูดทุกประการตามที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูทุกประการ น, นี่จะหายสงสัยจะหายสงสัยในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ แล้วจะรู้ว่านี่คือกระบวนการของการที่จะทําให้กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปรู้ว่ายังมีความทุกข์ที่ยังหลงเหลือยอยู่ภายในใจอยู่ว่ารู้ว่ายังมีความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ที่ยังไม่ได้รับการกําจัดที่จะต้องทําการต่อไปนี่ก็จะเริ่มโดยเข้าหาความอยากเลย เมื่อก่อนแทนที่จะรับใช้เมื่อก่อนจะรับใช้ความอยากความอยากสั่งให้พาไปไหนก็ไปแต่คราวนี้จะสู้กับมันละเพราะรู้ว่ามันพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องสู้กับความอยากต้องฝืนความอยากต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากแบบเดียวกับที่ใช้กับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพียงแต่เปลี่ยนเป้าหมายของเป้าของความอยากความอยากมันไปอยากอ ย, ากอย่างอื่นต่ออยากหาความสุขจากร่างกายของคนอื่นอยากมีแฟนอยากมีคู่ครองก็ต้องเลิกความอยากนี้ให้ได้วิธีที่จะเลิกก็ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของร่างกายนี้ว่ามันน่าน่าอยากได้หรือไม่ถ้าเห็นแบบผิวเผนก็น่าอยากได้ เห็นร่างกายของคนแบบผิวเผิก like so ็เห็นแล้วก็ว่าม like well ันสวยมันงามเอแต่ถ้ามองลึกๆเข้าไปเข้าไปใต้ผิวหนังมองเข้าไปดูในมิติอื่นในสภาพอื่นเอก็จะเห็นว่าต่อไปมันจะไม่สวยไม่งามเหมือนตอนที่เราเห็นตอนนี้เวลาแก่เป็นยังไงน่าดูไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยน้าดูไหม เวลาตายนี่ไม่มีใครดูเลยไหมไปงานศพยังไม่ไปยอมดูเลยปิดเข้าฝาลงถ่ายรูปมาให้ดูแทนนั่นแหละคือร่างกายที่เราหลงรักกันอยากจะได้มาเป็นแฟนกันเไม่ดูตอนนั้นกันไปดูตอนที่ยังสดอยู่เหมือนดูดอกไม้ตอนที่มันขายอยู่ในร้านเนี่ยดอกไม้สดมันวาเลนไทน์เป็นไงแย่งกันซื้อเลย <l ots> วันนี้เป็นยังไงแล้วดูนี่เนี่ยอยู่ที่กองขยะแล้วเนี่ย <l ots> <l ots> อออันนี้คืออันนี้จังเนี่ยเบางคนพิจารณาดอกไม้ก็บรรลุทำได้เขาพิจารณาร่างกายเปรียบเทียบร่างกายกับดอกไม้ร่างกายของคนสวยๆหล่อๆเหมือนดอกไม้บานเบ่งบานเต็มที่พอดอกไม้เช้าดอกไม้เหี่ยว ก็เป็นร่างกายของคนเดียวกันที่แก่ลงไปที่เจ็บลงไปหรือที่ตายไปนั่ น, นเองก็เห็นอย่างนี้ก็หายหลงหายอยากหยุดความอยากได้อันนี้คือกระบวนการของอริยสัจสีนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่หลายตัวด้วยกันท่านแบ่งเป็นสามระดับสามสี่ระดับ ระดับแรกก็ระดับร่างกายความแก่เจ็บตายระดับที่สองที่สามก็ความสวยงามของร่างกายแล้วระดับที่สี่ก็ระดับที่สี่หรือที่สามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความสงความสุขของจิตใจจิตใจก็เหมือนกับร่างกายไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขของจิตใจที่ได้จากจิตใจ ก็ไม่เที่ยงเหมือนกับร่างกายมีแก่เจ็บตายเหมือนกันมีเกิดมีดับเหมือนกันมีสุขมีทุกข์ในใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าอยากให้ใจสุขอย่างเดียวใจก็จะทุกข์เพราะเวลามันทุกข์ใจก็จะไม่สุขแต่ถ้ารู้ทันว่าทุกข์เกิดจากความอยากอยากให้มันสุขอย่างเดียวอยากไม่ให้มันทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความสุขความทุกข์ของใจก็ ก็ต้องปล่อยวางความสุขความทุกข์ของใจเหมือนกับที่เราปล่อยวางความสุขความทุกข์ของทางร่างกายแบบเดียวกันทุกข์ของใจเกดจากความอยากอยากให้ความสุขความทุกข์ในใจมันสุขอย่างเดียวแต่มันยังไม่อยู่ถึงมันยังไม่ถึงข wow. ั้นนั้นมันยังอยู่ในขั้นที่มีสุขมีทุกข์สลับกันไปอยู่ก็ต้องรู้ทันและเข้าใจพอหยุดความอยากให้มันสุขอย่างเดียวได้ มันก็หายไปทีนี้มันก็เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้รับการกําจัดไปหมดแล้วพอเห็นทำขั้นที่หนึ่งแล้วก็ไม่สงสัยในอริยสัจสีแล้วไม่สงสัยว่านี่เป็นทางสู่การหลุดพ้นถึงแม้ว่ายังไม่ได้หลุดพ้นเพราะว่ายังไม่ได้กําจัดอความอยากต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจแต่ก็จะ กำจัดมันไปตามลำดัดจะช้าหรือจะเร็วก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บางคนยังไม่พร้อมที่จะไปลุยกับความอยากตัวอื่นอยู่ก็ยังติดแกกอยู่ตรงนั้นอย่างพระพระ อ, อนุนี้ท่านบรรลุพระโสดาบันแล้วท่านก็หยุดปฏิบัติเพราะท่านไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่อุปถัพระพุทธเจ้าอยู่ยี่สิบกว่าปีมังก็ติดอยู่ตรงนั้น แต่พอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วทีนี้ก็ว่างนะมีเวลาว่างถึงแม้ตอนนั้นจะเป็นนักบวชแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของนักบวชอย่างเต็มที่ไปทำหน้าที่รับใช้พระพุทธเจ้าก็เหมือนไปเป็นคนรับใช้ดีๆนี่ไปเป็นแจ๋วดีๆนี่แทนที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็มาคอยเตรียมบาตรเตรียมสักจีวร คอยกวาดถูกุฏิอะไรต่างๆคอยเป็นหน้าห้องเวลาศรัทธาญาติโยมาหาก็ต้องถามหวานว่ามาทําไมมีธุระอะไรควรจะเข้าไปหาหรือไม่อะไรอย่างไรก็ทำหน้าที่อย่างนี้ไปก็เลยไม่ได้ไปปฏิบัติคันถะธุระวิปัสนาธุระอย่างเต็มที่ก็ติดอยู่ตรงนั้นแต่พอพระพุทธเจ้านิพพานปั๊บนี่ ก็มีเวลาว่างอนะทีนี้ไม่ต้องทำงานเก่าละตกงานนะคนจะไปนิพพานนี่ต้องตกงานนะพวกมีงานนี้ไปไม่ได้แล้วพวกเป็นแอร์นี้ยังไปไม่ได้พวกทำงานแบงคชาติก็ยังไปไม่ได้ดีแทกวันนี้ไม่ได้มาพวกนี้ยังไม่ได้มี ยังไม่ได้มาทำงานของศาสนายัางทำงานของโลกอยู่ยังทำงานก็ได้แค่อย่างมากก็โลกียะทำเออได้ทำบุญทำทานในรักษาศีลห้าแต่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิปิกวิเวกตลอดชีวิตนี้ยังทำไม่ได้ ทำได้ก็เป็นแบบมือสมัครเล่นมันไหนว่างๆอาจจะเอาลองสักพักสักสามวันสักห้าวันเนีอันนี้ก็ต้องต้องว่างงานพอพระอนุนว่างงานปั๊บแล้วประกอบพระพุทธเจ้ารับประกันด้วยว่าอนุนอีกสามเดือนเธอก็บรรลุนี่เธอต้องเสร็จงานนี้อย่างแน่นอนก็เลยมีกำลังใจมากเพราะพระพุทธเจ้า เวลาพูดได้ล้วมักจะไม่ผิดเนี่ยไม่ผิดก็พยายามปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยก็ขยับไปทีละขั้นทีละขั้นขึ้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายขั้นเกี่ยวกับสุขความสุข ค, ความทุกข์ภายในจิตนั่นก็พอดีถึงคืนสุดท้ายพอดีตอนเช้าก็จ ะ, ะครบสามเดือนแต่ความสุขความทุกข์ของใจมันก็ยังมีอยู่ ความทุกข์ของใจยังไม่หายไปเนี่ยก็วิตกขึ้นมาสิเอมันใกล้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าเราจะต้องบรรลุภายในคืนนี้แต่ก็ยังไม่บรรลุยังรู้ยังรู้ว่าจิตยังไม่หลุดนะยังรู้ว่าจิตยังทุกข์อยู่ก็พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาไปพิจารณามา ก็ไม่ได้พิจารณาตามเหตุผลมัวแต่ไปคิดถึงคำคาสอนของพระพุทธเจ้ามัวถึงไปคิดถึงทำนายของคาทานายของพระพุทธเจ้าว่าจะต้องบรรลุแน่ภายในวันนี้แทนที่จะมาพิจารณาความฟุ้งซ่านของจิตใจกลับไปคิดถึงเรื่องคำพยากรณ์คิดถึงเวลาที่ใกล้จะหมดแล้วเลยทำให้จิตเครียดขึ้นมา จิตมันก็เลยไม่บรรลุแต่พอถึงใกล้สว่างแล้วรู้แล้วคงจะคราวนี้พระพุทธเจ้าคงจ ะ, ะพยากรณ์ผิดแดน่ๆตัวเองก็หมดหวังผิดหวังยอมรับความจริงยอมรับว่าไม่บรรลุแน่ๆก็เลยเตรียมตัวจะไปนอน ระวางอยู่ที่ท่านั่งกับท่านอนตอนนั้นจิตไม่กังวลกับเรื่องบรรลุมันหรือไม่บรรลุแล้วกังวลแต่เรื่องนอนนละนอนดีกว่าเพราะปล่อยวางความอยากบรรลุได้มันก็เลยบรรลุขึ้นมาเนี่ยความอยากให้จิตพ้นทุกเนี่ยมันก็เป็นเป็นความอยากที่ขวางกัน้นการดับของทุกเพราะความทุกไม่ได้ดับด้วยความอยากดับด้วยการไม่อยาก ดับด้วยการหยุดความอยากพ้นทุกข์เหมือนเวลานั่งสมาธิบางคนเคยนั่งสงบแล้ววันนี้อยากจะให้มันสงบนั่งเท่าไหร่มันก็ไม่สงบก็พรามันนั่งคิดแต่อยากให้มันอยากให้มันสงบไม่ได้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไม่ได้อยู่กับลมมันก็เลยไม่สงบสักทีมันก็เช่นเดียวกันนี่อันนี้แหละนะผู้ปฏิบัตินี้แต่ก็จะรู้เองปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยว มันจะมันจะรู้ถันตอนต้นมันอาจจะฟุ้งไปสักพักท่านเรียกว่าเกิดอุท ธ, ธัจจะขึ้นมาฟุ้งกับการพิจารณาเพราะพิจารณาด้วยความอยากไม่ได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผล ต, ตอนหลังมานั่งวิเคราะห์ดูอีกทีอ๋อนี่เรายังอยากอ ย, กอยู่นี่วะถึงแม้ใจอยากบรรลุมันก็เป็นกิเลสนะ มันอยากบรรลุเนี่ยมันก็เป็นตัวขวางกา ร, การบรรลุขึ้นมางั้นอย่าไปอยากมันมันไม่รบรรลุหรือไม่บรรลุ ก, ก็ช่างหัวมันพอไม่อยากปั๊บเดี๋ยวมันบรรลุเอง ต, ตัวที่อยากนี่นเป็นตัวที่มาขวางการบรรลุเพราะความอยากมันทำให้ใจทุกข์ใจใจทุกข์ใจก็ไม่บรรลุ ถ้าอยากให้ใจบรรลุก็ต้องไม่อยากทั้งนั้นแม้แต่การอยากบรรลุก็ไม่มีพอถึงขั้นนั้นเราต้องหยุดการอยากบรรลุแต่ขั้นแรกๆนี้ต้องอยากบรรลุถ้าไม่อยากบรรลุมันจะไม่มาวัดมันไม่มาปฏิบัติแต่พอถึงขั้นสุดท้ายนี้มันต้องปล่อย้ตัวนี้ตัวนี้เป็นกลับกายเป็นตัวขวางนี่คือ เรื่องของความเชื่อยคนจะเชื่อแบบนี้เชื่อเพื่อให้เราได้น้อมเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแบบสุ ด, ส, ดสุดเลยมันถึงจะได้ถ้าปฏิบัติแบบคลารวะแบบกักแทงกักไว้อยังอยากได้สมบัติยังอยากได้ความสุข ปฏิบัติบ้างคอหอมปากอของคอแต่อย่างนี้ก็ยังไม่ได้ต้องปฏิบัติแบบสุดๆเลยลาออกจากงานเลยไม่เอาละงานทางโลกเอางานทางธรรมอย่างเดียวอันนั้นเน่ยถึงจะไดะ้นี่คือเรื่องของความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระธาตุนี้เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าจริงก็ต้องแสดงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นจริง และผู้ที่อนนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระสาวกขึ้นมาได้ก็เป็นจริงเหมือนกันถ้าเราทำแบบนั้นเราก็ต้องเป็นพระสาวกได้เหมือนกันให้เชื่อเชื่อแบบนี้ไม่จะเชื่อว่าออบรรจุพระทาตเสร็จก็นั่งดูไว้แล้วก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมเคยทำอะไรก็ทำแบบเดิมอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะไม่มีการปฏิบัติเนียการจะเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติทำตัวเราการปฏิบัติก็คือการมาเปลี่ยนตัวเรานั่นเองเปลี่ยนตัวเราจากการเดินตามกิเลสมาเดินทางเดินตามธรรมนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติไม่ใช่อะไรเราเปลี่ยนนิ ส, สัยของเราเปลี่ยนจากการใช้มือที่เราถนัดมาใช้อีกมือที่เราไม่ถนัดเคยใช้มือขวาที่รู้ว่ามือขวานี่มัน มีแต่โชค้ายไม่ใช้มันดดกว่าเขาบอกใช้มือซ้ายแล้วมีแต่โชคดีอลองมาเปลี่ยนใช้มือซ้ายดู๋เวลาเปลี่ยนใหม่ๆ ม, มันก็ยากเพราะว่ามันไม่เคยเคยถนัดมือขวามันชำนาญมันคล่องแคล่วพอต้องมาใช้มือซ้ายรู้สึกว่ามัน อ, อึดอัดมันรู้สึกว่ามันไม่คล่องแคล่ว ว, ว่องไวแต่ถ้าลองฝึกใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชนานาญขึ้นมาเองอ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้จิตใจของเราเปลี่ยนไปพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนี่ต้องปฏิบัติต้องเอาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้ายังไม่รู้ก็ต้องไปศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างไรพอรู้แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเราจะได้รับประโยชน์เพราะความทุกข์ต่างๆที่เราเคยแบกไว้มันจะหายไปหมด เหรือแต่ความสุขอยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าบรมมะสุขปลมังสุขขังนี่เนี่ยถ้าเชื่อแบบเนี่ยเชื่อแบบถูกต้องแต่ถ้าเชื่อแบบเชื่อแล้วก็เฉยเฉยเชื่อแล้วก็จบตรงนั้นเชื่อตรงที่เขาบรรจุธาตุเสร็จก็จบเดี๋ยวก็ไปเชื่อพระธาตุองค์ใหม่เสด็จมาที่เจดีย์องค์ใหม่ต่อยังมีหลายเจดีย์เนี่ยที่ยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวก็ไปบรรจุพระธาตุกันใหม่อีก เดี๋ยวก็ไปบรรจุกันใหม่อีกไปเชื่อกันใหม่อีกถ้าเชื่อแบบนี้มันก็ไม่ก้าวหน้าเชื่อแล้วมันต้องไปปฏิบัติไปภาวนาไปบวชนั่นนะนั่นถึงจะเรียกว่าก้าวหน้าจริงๆนะก็ขอฝากเรื่องของความเชื่อให้ท่านได้เอาไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนาสีฤทธะนิจจังวุทฒาปจายโน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 รับฟังข้างบนนี้แปดสิบสองคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยหกสิบสี่ครับเมื่อวานนี้ลงพันสองอะเมื่อวานนี้ขึ้นสุนามิมารู้จักขึ้นสุนามิไหมเวลามีแผ่นดินไหวที่วัดบุญยาวาธทไรขึ้นขึ้นมันจะมาที่นี่ มันตอดอัปต์ช็อกอัปต์ช็อกสุนามิไงสุนามิมันจะมาคนพอไปทําบุญที่ันตอนเช้าล้วตอนบ่ายจะมาที่นี่กันไม่ว่าเป็นวันไหนวันไหนที่วัดนั้นมีบุญวันจัดวันบุญนี้วันกรถินหรือวันอะไรนี้โอ้ยที่นี่มันจะล้นตอนบ่ายเนี่ยเหมือนสุนามิแต่มันไม่เคยกลับไปนะทางนี้ไม่เคยมีกลับไปทางนู้น วันน si> ี masa, ้ไม่มีงานบุญอะไรเมื่อกี้ม uh, ีญาติโยมคนหนึ่งอยากจะถามคำถามผู้หญิงไปแล้วเหรอไปแล้วมั้งอาเข้ามาสิขึ้นมาเดี๋ยวมาเอาเอาไมโครโฟนให้หน่อยยืนยืนถามก็ได้อยู่ยืนตรงบันได กาบเรียนหลวงพ่อนะคะว่านั่งสมาธิไปแล้วเวลาจิตมันรวมมันหลับตาแล้วมันเหมือนลืมตามันเป็นอย่างนี้เราจะทำไงต่อคะมันเหมือนว่าเราติดอยู่ตรงนี้นะคะมานานแล้วเงี้ย อ, อ๋อเวลานั่งสมาธิก็ให้มันสงบต่นนั้นแหละไม่ติดหรอกมันมันจุดหมายปลายทางของสมาธิก็คือความสงบถ้าอยากจะไปต่อต้องออกเวลาออกจากสมาธิมาก็หัดพิจารณาตายลัก อัดมองสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นตายรักเช่นคนที่เรารู้จักเป็นไตายักสมบัติเก้าวของเงินทองต่างๆเป็นตายรักร่างกายเราเป็นตายรักมันเกิดแล้วมันต้องตายคนเราที่เรารู้จกักทุกคนก็เหมือนกันเขาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสมบัติเก้าวของเงินทองที่เรามีอยู่สักวันหนึ่งก็ต้องมีการจากกันไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่า ขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิก็ให้มาคิดทางใจลักเพื่อเราจะได้คลายความอยากได้สิ่งต่างๆแล้วก็คลายความยึดติดคลายความทุกข์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆได้ต่อไปค่ะสาธุกตต้องสลับกันทําอย่าทําอย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>เวลามีเวลาว่างก็ต้องนั่งสมาธิ พอถ้าไม่ได้นั่งสมาธิต่อไปใจมันจะฟุง้งมันจะไม่สงบมันจะไม่มีกำลังที่จะคิดทางตายลักได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะมีใครอยากจะถามไหมถ้าถามก็ยกมือขึ้นนะนจะส่งไม่ไปให้ถ้ายังไม่มีก็เอาทางทางบ้านกันคำถามจากคุณสิริลักษ์เกิดความรู้ขึ้นในสมาธิ คำถามความรู้ในสมาธิมีหลากหลายไหมเจ้าคะจะว่ามีหลากหลายก็ได้ไม่มีหลากหลายก็ได้ไม่รู้ความรู้มีทั้งดีแล้วไม่ดีถูกแล้วไม่ถูกยันความรู้ในสมาธินี้เป็นเพียงเหมือนกับการาทําการบ้านยังต้องเอาไปทําพิสูจน์ดูทําข้อสอบบิกที ความรู้ต่างๆที่เรารู้เช่นเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราอันนี้เป็นความรู้ในสมาธิแต่เวลาออกมาจากสมาธิแล้วเราต้องเอาความรู้นั้นมาใช้เวลาที่อะไรมากระทบกับร่างกายก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะต้องไม่หวาดกลัวไม่ตื่นเต้นตกใจกับการเป็นไปต่างๆของร่างกายเหตนั้นความรู้ในสมาธิก็เป็นความรู้เบื้องต้น ที่เราจะไปใช้ต่อไปเวลาเราพบกับความจริงของชีวิตเช่นเรามีความรู้ในสมาธิว่าแฟนเราจะต้องทิ้งเราเมื่อเราออกจากสมาธิมาก็คอยคิดอยู่เรื่อยแฟนเราจะต้องทิ้งเราทิ้งเราแล้วเวลาเขาทิ้งเราก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะรู้อยู่แล้วอย่างนี้ก็แต่ถ้ารู้ในสมาธิแล้วออกมากับวิตกกังวล ไม่อยากให้เขาจากเราไปอย่างนี้ก็รู้แบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรรู้เพื่อให้มาใช้ดับความทุกข์เช่นอยู่ในสมาธิก็เห็นว่าเรานอนตายอยู่อย่างนี้เห็นเราเป็นซากศพนอนตายอยู่เพอออกจากสมาธินี้ไม่กล้านั่งสมาธิแล้วกลัวแล้วเพราะกลัวตายไม่อยากตายความจริงความรู้ในสมาธิเป็นเหมือน เป็นเป็นความรู้ที่เราจะมาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักใช้ก็อาจจะเป็นโทษก็ได้เฉะนั้นความรู้ในสมาธิจึงควรจะมีผู้รู้คอยอคอยให้คาปรึกษาถ้าเราไม่รู้จักว่าจะใช้อย่างไรกับมันก็ต้องไปหาผู้รู้หรือถ้าไม่มีผู้รู้ก็แขวนไว้ก่อนอย่าไปสนใจ คิดว่าเป็นเหมือนความฝันไปก็แล้วกันเมื่อวันนี้ฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้เอเมื่อเราไม่รู้ว่าจะทํานายเอาความฝันนั้นมาแปลให้มันเป็นความจริงได้หรือไม่เราก็เอาไว้ก่อนอย่าไปให้มันมาสร้างความวิตกกังวลกับเราหรือหวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความฝัน แต่ถ้าเรามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็มาใช้เลยโอ้เราต้องตายแน่ๆเว้องเตรียมตัวแล้วอนนี้มีอะไรก็ทำพิ้นมีสมบัติก็แยกแบ่งให้ใครไปเสยจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังอะไรต่างๆก็เตรียมตัวตายอันนี้ก็แล้วแต่ความรู้ในสมาธินี่จึงเป็นความรู้ที่ ก็เหมือนแบบความรู้ทั่วๆไปอยู่ที่ว่าเรารู้จักจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ถ้ายังไม่รู้แทนที่จะมาทำเป็นประโยชน์กลับมาเป็นโทษกับเราก็อย่าเพิ่งไปสนใจกับมันดีกว่า mm hmm. ก็ให้ถือว่ามันเป็นเหมือนความฝันไปขอแล้วกันครับ <c oughs> อ, อาจารย์โก้เลย <c oughs> อ่ ะ, <c oughs> อะส่งไลนไป กาบเรียนถามพระอาจารย์ะคะ่ะเวลานั่งสมาธิแล้วพอเริ่มรู้สึกว่าสงบจะมีบางช่วงเวลาที่เหมือนลืมหายใจไม่พอตอนสงบแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องลมหายใจมันจะหายใจไม่หายใจไม่ต้องไปกังวลน่ะนั่งใจมันหายใจเหมือนตอนเรานอนหลับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันหายใจหรือไม่หายใจเวลาเข้าสมาธิก็คิดว่าเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับ ไม่ต้องไปกังวลกับถ้าไม่ไม่รู้ลมหายใจไม่เป็นไรถ้ามันสงบแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปดูลมหายใจถ้ามันไม่สงบเนี่ยต้องต้องดูอย่าปล่อยให้มันนั่งเฉยๆเพราะเดี๋ยวมันจะผลิตอาการต่างๆแปลกๆเข้นมาหลอกเราได้อย่าให้มันนั่งแบบไม่มีสติกำกับใจ ถ้ามันสงบมันมีความสุขมันไม่คิดอะไรก็ให้มีสติดูรู้เฉยๆไปก็แล้วกันแต่ถ้ามันเริ่มคิดเริ่มคิดไปในทางที่ทำให้ไม่สงบก็ถ้าไม่มีลมหายใจดูก็ใช้พุทธโธพุทธโธหยุดมันก็ได้ ขออีกคําถามหนึ่งนะคะแล้วก็เวลานั่งสมาธิพุโทโธไปเรื่อยๆจนจะมีช่วงขณะหนึ่งที่พุโทโธหายไปแล้วจะเริ่มรู้สึกว่ามันสงบมากแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนจะเราก็จะกลับมาพุโทโธพุโทโธต่อคออือวิธีนั่งสมาธททิที่ถูกต้องคือเราควรจะพุโทโธต่อไปพุโทโธไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเกิดมัน พุทโธหายก็ปล่อยมันหายไปคือถ้ามันหายเพราะจิตสงบก็ปล่อยมันหายไปแต่ถ้ามันหายไปแต่จิตยังไม่สงบก็ต้องดึงมันกลับมาใหม่อย่าปล่อยให้มันหายไปถ้ามันสงบแล้วมีความสุขไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุทโธแต่ถ้ามันยังไม่สงบมันยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องใช้พุทโธดึงกลับมาใหม่ เราต้องการหยุดความคิดต้องการทำใจให้สงบถ้ามันสงบเราก็หยุดพุทธโธได้เช่นสงบเดี๋ยวเดียวเราเดี๋ยวพักสักพักมันก็เริ่มคิดใหม่แล้วก็พุทธโธใหม่แล้วถ้าเราฝึกต่อไปเรื่อยๆก็สมาธินี้อาจจะนานขึ้นใช่นานขึ้นยาวขึ้นแล้วง่ายขึ้นต่นอไปเวลานั่งสมาธิจะง่ายขึ้นอาจารย์โก <c oughs> สวัสดีครับอาจารย์เวลาที่เราสำเนียกในภาษาเวลาเราแกะภาษาออกมาแล้วตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่เรียนรู้จากบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนเนี่ยนักบวชจะรู้จักภาษาแบบหนึ่งเนนจะรู้จักภาษาแบบพานวกะจะรู้จักจากภาษาแบบหนึ่งพระปฏิโมกก็รู้จกาาแบบั ก, จจกภาษาแบบหนึ่ ง, าาบบงทั้งหมดที่เป็นภาษาหลายๆแบบนั้นเราศาสตร์สามารถจะ ให้มันเป็นภาษาเดียวกันได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามันเป็นภาษาเดียวกันมันก็เป็นภาษาเดียวกันถ้ามันเป็นคนละภาษามันก็คนละภาษาถ้ามันเป็นบาลีมันก็บาลีเหมือนกันหมดนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบาลีระดับปรถมระดับมัธยมก็เหมือนภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษระดับปรถมระดับมัธยมไปแต่มันก็เป็นภาษาเดียวกันแล้วเวลาเนรที่เขาบวชตั้งแต่เด็ก แล้วเขาได้ปเปลี่ยนก้าวเลยเนี่ยอาจารย์นั่นคือเขาก็รู้ใช่ไหมครับใช่มันก็ปเปลี่ยนก้าวเหมือนกันเหมือนคนสมัยนี้เด็กบางคนอายุสิบขวบก็ได้ปอตรีก็มีก็เป็นความรู้วันเดียวกันครับครับอาจาย์คำถามที่สองเวลาเรานั่งสมาธิมีเรานั่งก่อนสวดมนต์สวดมนต์นก่อนนั่งเปิดหนังสืออ่านบางทีเราไม่รู้อักขระแล้วก็บางทีเรารู้แล้วเราก็สวดไปเลย ระหว่างนั่งเฉยๆสวดมนต์อ่านหนังสืออะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับอาจารย์ก็ถูกต้องทั้งหมดเนะี่ยอยู่ที่ระดับของเราว่าเรายังอยู่ในระดับไหนอยู่ถ้าเรายังจาไม่ได้เราก็ต้องเปิดหนังสืออ่านไปก่อนแต่ไม่ได้ให้อ่านไปแบบนี้ไปตลอดให้อ่านแล้วให้ออกไปจดไปจำแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเปิดหนังสือเพราะการเปิดหนังสือจะทาให้จิตสงบน้อยกว่า การไม่ต้องเปิดหนังสือเพราะเปิดหนังสือต้องใช้สายตาจิตต้องทำงานมากกว่าพอเราปิดเราจำได้เราก็ไม่ต้องเปิดหนังสือปิดตาแล้วก็ท่องไปท่องไปจิตก็จะสงบได้มากกว่าแต่สู้อยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าถ้าเราสามารถสวดมนต์ไปจนกระทั่งจิตมันอยู่เฉยๆเราก็หยุดสวดไม่ต้องสวดให้รู้เฉยๆไปเนี่ยมันเป็นขั้นของมัน เป็นขั้นตอนของการฝึกจิตฝึกสติขั้นแรกถ้าไม่รู้บทสวมดมนต์ก็ต้องเปิดอ่านไปก่อนอ่านแล้วเพื่อให้ท่องจำพอจำได้ก็ปิดหนังสือให้สวดไปพอสวดไปนานๆเข้าจิตมันก็สงบ ก, ก็ไม่ต้องสวดข้าจาจย์คำถามต่อเนื่อง <c oughs> ตาหูจมูกเลนกายใจบทตะปะเวลาที่ เราโดนสิ่งแล้วเข้ามาพร้อมกันเพราะมันสามารถจะพร้อมกันได้เช่นหูก็ฟังตาก็ดูเลนก็ชิมอาหารที่อร่อยเวลาเกิดเรื่องกับเราหลายหลายแบบพร้อมกันเราจะจัดการอะไรก่อนให้มันออกไปเพราะอะไรครับอาจารย์จัดการกิเลสนะไม่ต้องไปจัดการกับรูปเสียงกลิ่นลนจัดการกับใจของเรากิเลสของเราที่ไปยุ่งกับมันกิเลสตัวไหนไปยุ่งกับตรงไหนก็ต้องตัดมันตรงนั้น ไม่ไปตัดที่รูปเสียงกินร้นแต่ตัดที่กิเลสของเราถ้าไปอยากเสียงก็ตัดความอยากที่เสียงถ้าไปอยากที่รูปก็ตัดความอยากที่รูป <Okay. S 1> ถ้ามันไปทั้งห้าตัวก็ต้องตัดมันทั้งห้าตัวมันไม่มีตัวไหนก่อนหลังนะจรย์แล้วแต่มันตัวที่มันสดสดร้อนๆนั่นการปฏิบัติเราไม่ได้มีเรียงลำดับว่าใครมาก่อนมาหลังแล้วแต่ใครเข้ามาก่อนก็ต้องเอามันก่อนนะ คำถามสุดท้ายครั้งที่แล้วที่พูดถึงว่าตัดสงสารเวลาเกิดขึ้นกายกับจิตตัวที่เป็นนายก็คือจิตตัวที่เป็นบ่าวก็คือกายตอนแก่กายแก่ไปเรื่อยเล่นงานเราทุกขณะแต่จิตไม่แก่แต่เวลาเสร็จั๊บจิตยังอยากนั่นอยากนี่อยู่เพราะฉะนั้นจิตเป็นพี่กายเป็นน้องก็ยังสงสัยว่าก็ไม่ค่อยแน่ใจว่า จิตไม่แก่เหรออาจารย์ อ, อ๋อจิตไม่แก่เหรอจิตก็เหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่วันเกิดจากวันเกิดถึงวันตายจิตก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมเจิดเหมือนเดิมอย่างนั้นเวลาที่เขาได้โลโกทะเขาก็สามารถจะปราบความเจ็บจัดการกับร่างกายได้สิอาจารย์จัดการกับความความเจ็บความเ จ, จ็บของร่างกายจัดการไม่ได้แต่จัดการกับความความ ความความความประเชิญกับความเจ็บได้คือเฉนแบบไม่เจ็บได้แบบที่เมื่อกี้เทศว่าถ้ามีปัญญาก็สามารถปล่อยวางความอยากได้มันก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายแต่ถ้าถ้าหยุดความอยากไม่ได้มันก็จะทุกข์ไปกับร่างกายเข้าใจครจับอาจารย์งั้นความปรารถนาก็ไม่ปรารถนาก็าอยู่ติดกันเลยอยู่ใกล้ๆกัน เป็นเชือกเส้นบางๆถึงออกเหมือนที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้ว่าเราต้องไม่ปรารถนาปรารถนาก็จะเป็นกิเลสต่อคือแล้วแต่ว่ามันเป็นความปรารถนานั้นมันมันจะเป็นอุปสรรคต่อผลที่เราต้องการหรือไม่แต่ถ้ามันไม่เป็นอุปสรรคมันเป็นตัวสนับสนุนก็ต้องปรารถนาเช่นยังไม่เคยเข้าวัดก็ต้องปรารถนาเข้าวัดก่อน ถ้าไม่ปราฐนาเข้าวัดเลยก็ไม่มีวันเข้าวัดเลยแต่พอเราเข้าวัดแล้วเราก็อย่าไปปราฐนาเข้าวัดแล้วทีนี้เราปราฐนาที่จะทำขั้นต่อไปคือปฏิบัติเวลามาถึงวัดแล้วก็ต้องต้องเปลี่ยนการปราฐนาจากการปราฐนามาวัดมาเป็นปราฐนาที่จะปฏิบัติต่อไปมันก็เป็นขั้นขั้นของการปฎิฐานา ขอบคุณครับอาจารย์ปามังสุขขังวันนี้มีความสุขมาก <laughs> ใครอยากทำผมนี่ช่างทำผม <laughs> ชื่อเสียงดังนะอาจารย์โกลองเข้าไปหาในเฟ e b o o k ดู <laughs> มีในเฟ e b o ๊ k ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับจะลาแล้วอจารย์ <laughs> <laughs> <laughs> อยู่บงอยู่ที่อ่างศิลา <laughs> บ, <laughs> บอกมีคนติดตามเป็นแสนเลยเลย อแปบดบ แ, แ, แสนก็จะแปดแสนอันนี้ต้องไปเปิดดูจริงหรือไม่จริงฟังได้แต่ยังไม่รู้ต้องต้องไปเปิดดูว่าแปบดบแสนจริงหรือเปล่ามีคําถามต่อไหย ม, มีครับ <laughs> คําถามจากคุณเปี่ยมศักถูกจิตหลอกให้นั่งสมาธิแล้วคิดว่าไปนิพพานคิดว่าตนเองเป็นพระอรหรันต อย่างที่พระบอกเลยเจ้าค่ะเพราะลูกไม่มีใครสอนเป็นมากว่าสี่ปีแล้วอย่างนี้พอจะมีวิธีใดช่วยลูกได้บ้างก็ต้องศึกษาว่าการเป็นพระอรหันต์เป็นได้มีพระอรหรันต์มีคุณสมบัติอย่างไรพระอรหรันต์นี้ท่านสิ้นกิเลสท่านไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแล้วก็ดูตรงนี้ไปถ้าเรายังมีความโลภโกรธหลงอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหรันต<ห>์ ถ้าเราอยากจะเป็นเราก็ต้องพยายามกำจัดความโลภความโกรธความหลงไปเรื่อยๆคำถามจากคุณแจ็คมีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งการนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิเพื่อฝึกสมถาากรรมฐานผมลองนั่งเพ่งวางจิตไว้กลางท้องจะรู้สึกว่าตัวเองไม่อึดอัดและเข้าสมาธิ ง่ายกว่าพุโทโธหรือดูลมหายใจผมควรจะฝึกเพ่งต่อหรือดูลมหายใจต่อดีครับก็ได้วิธีไหนก็ได้มันมีตั้งสี่สิบวิธีด้วยกันเขาเรียกกรรมฐานสี่สิบที่เราสามารถใช้ในการทำใจให้สงบได้เห็นถ้าการดูท้องของคุณทำให้จิตสงบก็ดูท้องไปขอให้เราดูที่ผลก็คือความสงบที่มันจะสงบระดับไหนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าอาจจะดูว่าดูมาแล้วอาจจะสงบในระดับต้นๆแต่ยังไม่เข้าถึงระดับลึกเข้าไปก็ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนถ้าอยากจะเข้าระดับอัปปนาสมาธินี่ต้องอาณาปณะสติเนี่ยแน่นอนเนีหรือพุโทโธนี่ก็มันก็อาจจะเข้าแบบ ตกหลุมตกบอ่อตามที่ได้ยินได้ฟังจากผู้ปฏิบัตินะคนที่ใช้พุโทโธพุโทโธนี่เวลาจิตสงบมันจะเหมือนตกหลุมตกบอ่อแล้วก็นิ่งสงบ แต่คนที่อนนาปนาสตินี่มักจะเข้าแบบเป็นขั้นขั้ น, นไปสงบทีละขั้นทีละขั้นแต่ในที่สุดก็เข้าถึงขั้นอัปปนาได้นิ่งสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุบเบกขาได้นี่คือระดับของสมาธิที่เราต้องการคือจิตต้องเป็นอุบเบกขาต้องสักแต่ว่ารู้ว่างไม่มีอะไรแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขสุขไม่ใช่สุขแบบสุขแบบปิติสุขแต่เป็นสุขที่เกิดจากความสงบ คำถามที่สองถ้าผมใช้เบาะรองก้นด้านหลังให้สูงขึ้นหน่อยในการนั่งถือว่าผิดไหมครับจะว่าผิดก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าถ้าต่อไปไม่มีเบาะนั่งมันจะนั่งไม่ได้ถ้าเราฝึกนั่งแบบไม่มีอะไรเลยมันจะดีกว่าเพราะบางทีเราอาจจะต้องอยู่ในที่ที่เราไม่มีเบาะให้เรานั่งก็ได้เหมือ น, นถ้าเรานั่งแบบไม่ต้องมีอะไรมา มาสนับสนุนได้ก็พระพุทธรูปก็ไม่มีเบาะไม่ใช่เลยเห็นเห็นพระพุทธรูปมีเบาะข้างหลังไหมไปดูก็มไม่มีแท่นก็นั่งกับพื้นแต่มันอาจจะมีผ้าผ้าปูหรือเสื่อปูหน่อยเพื่อไม่ให้เปื้อนกันเปื้อนนั้นเองแต่ท่านไม่ต้องการที่จะให้มันมาสนับสนุนเรื่องความสบายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเดี๋ยวมันจะไปติดความสบายเราต้องการให้มันนั่ง ตามธรรมชาติของมันแล้วถ้ามันจะทุกข์ก็จะได้ใช้วิธีภาวนากําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการนั่งต่อไปคําถามต่อไปจากคุณวัฒนาคนเราตายแล้วไปไหนเจ้าคะตายแล้วก็ไปตามบุญตามบาปเนียถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็พาไปอบายไปเกิดเป็ น, ดนเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรก ถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็พาไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้ามีบุญระดับพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดก็จะอยู่ที่เดิมอยู่ที่อยู่ขณะ น, นี้จิตไม่มีสถานที่จิตไม่ต้องมีสถานที่จิตไม่แต่จิตจะเป็นจิตที่ไม่ไม่มีไม่มีผลของบุญของบาปมากระทบ จะเป็นจิตที่สงบที่ว่างที่เต็มไปได้วยความสุขคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามวิบากกรรมจากการทำแท้งทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจจะมีวิธีหรือการปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะหลุดพ้นหรือผ่อนหนักให้เป็นเบา เพราะความรู้สึกคล้ายกับว่าจะตามหลอกหลอนไปในทุกๆุที่ที่เราไปเช่นทาบุญถวายสังฆทานและไปปฏิบัติธรรมทั้งที่เวลาก็ล่วงเลยมาเป็นสิบสิบปีแล้วเมตตาชี้แนะแนวทางด้วยเจ้าค่ะก็ต้องยอมรับผลบาปเท่านั้นเองมันก็จะไม่มาหลังความเราบาปทำแล้วเราไปลบล้างมันไม่ได้แต่มันจะสงผลเมื่อไหร่ช้าเร็วนี้มันมีเหตุอย่างอื่นที่ยา มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นถ้าเราทำบุญต่อไปให้มากกว่าบาปบาปที่เราทำไว้มันก็ยังไม่มีกำลังที่จะส่งผลแต่ถ้าตาบดดยบุญเราน้อยกว่าบาปตอนนั้นบาปมันก็จะเริ่มส่งผลให้กับเราได้ยั้นพยายามทำบุญไปแล้วอย่าทำบาปเพิ่มแล้วโอกาสที่บาปจะมาส่งผลมันก็อีกนานเพราะเราจะมีบุญคอย ส่งผลให้กับเราก่อนคำถามต่อไปจากคุณดอลฟินถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิศินห้าไม่สมบูรณ์บางครั้งมีความรู้สึกว่าตัวเราไม่เข้ากับพวกเขาเราควรวางตัววางใจอย่างไรดีครับก็รู้ว่าคนเราไม่เหมือนกันหน้าตายังไม่เหมือนกันทำไมเราวางใจได้ทำไมหน้าตาเราไม่เหมือนเขาทำไมเราอยู่กับเขาได้ ก็เหมือนกันถ้าไมเรามีศีลเขาไม่มีศีลมันก็เหมือนกันเราก็อยู่กับเขาได้เรื่องของใครของมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากใช่ไหมหน้าตาเขาเป็นอย่างนั้นหน้าตาเราเป็นอย่างนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้เขาไม่มีศีลห้าเรามีศีลห้าเราก็อยู่ด้วยกันได้ก็ไม่เห็นมีอะไรคำถามต่อไปจากคุณพิเชษอาหารที่พระภิกษุบิณฑบาตได้มาท่านสละให้เรา แล้วเราบริจาคต่อคําถามถามว่าบุญนี้เป็นของใครครับขั้นแรกก็เป็นของพระพระบริจาคให้เราพระก็ได้บุญแล้วไเอาเบอริจาคต่อเราก็ได้บุญอีกอาหารนั่นเดียวกันเนี่ยเรียนเชนได้แล้วถ้าคนที่เขารับจากเราเข้าไปให้ใครต่อนึ่งเขาก็ได้บุญอีกอ คำถามต่อไปจากคุณ Đ แดงอยากให้พระอาจารย์ชี้โทษของการเล่นหวยและแนวทางการเลิกเล่นด้วยครับคือการเล่นหวยมันไรายได้มันไม่แน่นอนเนี่ยมันอาจจะได้มันอาจจะไม่ได้สู้ไปทํางานดีกว่าไรายได้แน่นอนทุกสิ้นเดือนจะได้เงินอย่างแน่นอน <S <S ถ้าเล่นการพนันบางทีก็ได้บางทีก็เสียนะ ดังนั้นเราก็โอกาสเสียก็อยากจะรู้ว่าอันไหนมันดีกว่ากันก็ลองทำสถิติดูเลย <c oughs> เ, รเราแทงหวยปีนี้แทงไปกี่ตังค์แล้วเราได้เราได้ถูกรางวัลเท่าไหร่แล้วมาบวกลบคูณหารดูถ้าขาดทุนก็อย่าไปทำธุรกิจแบบนี้เลยเจ๊ง <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ากำไรก็ทำต่อไปได้ <c oughs> เรา เพราะว่าการกระทำนี้ก็เพื่อหารายได้ไม่ใช่นะเล่นหวยก็เป็นการหารายได้ไปทำงานกับบริษัทก็เป็นการหารายได้งั้นเราก็ต้องดูที่ดูที่ผลผลตอบแทนของงานว่าอันไหนจะให้ผลตอบแทนมากกว่ากันถ้าทำงานแล้วปีหนึ่งได้สามแสนถ้าเล่นการพนันแล้วขาดทุนอย่างนี้เราไปเล่นทำไมใช่ไหม ต้องทำสติดูใช้เหตุใช้เหตุใช้ผลดูอย่าใช้อารมณ์ถ้าทำงานได้สามแสงเล่นหวยได้สามล้านก็ไปเล่นหวยดีกว่ <laughs> <laughs> อาอ้าวใช่ไหมสแสดงว่าเราถนัดทางนี้ว <laughs> ิบากของเราต้องมาทางนี้ <laughs> คำถามต่อไปจากคุณวรัชยา ขอโอกาสพระอาจารย์ขยายความหมายคำว่าการเพ่งจิตมีผลต่อการทำสมาธิอย่างไรและควรแก้ไขหรือไม่กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคือการทำสมาธินี่เราไม่เพ่งจิตเนี่ยเราเพ่งดูอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตเช่นพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งก็เพ่งดูอารมณ์อย่าดูจิตเพราะเราไม่รู้จิตมันอยู่ตรงไหนผู้ที่เริ่มต้นนี้จะไม่รู้จักจิต เวลาต้องดูในสิ่งที่เรารู้เช่นดูพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกหรือนึกถึงภาพในมโนภาพเช่นภาพโครงกระดูกอย่างนี้ก็ได้หรือสีก็ได้สีเขียวสีขาวสีแดงอะไรทั้งนองนี่อันนี้เป็นการทําสมาธิต้องมีกรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์เพื่อที่จะกล่อมจิตให้เข้าสู่ความสงบ สำหรับผู้ที่ดูจิตนี่ต้องผ่านสมาธิก่อนดูจิตเขาก็ให้ดูกิเลสที่มีอยู่ในจิตถ้ามีกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ต้องหาวิธีกำจัดมันอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเท่า น, นั้นเอ ง, องนั้นการเพ่งจิตความหมายจริงๆก็คือการดูกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราจะดูไม่ทันตสติเราไม่ทันที่จะ ดูกิเลสได้มันเร็วกว่าเราเราต้องฝึกสติก่อนด้วยการทำจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วสติเราจะไวพอเราต้องการจะกาจัดกิเลสเราก็ต้องดูดูจิตเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตมไม่ได้อยู่ที่ไหนคำถามต่อไปจากคุณธรรมดาการบรรลุธรรมขั้นต้นคือโสดาบันจำเป็นต้องเชื่อถือเรื่องอิทธิปาฏิหารไหมคะ คือไม่ได้ลบหลู่แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เราเชื่อในกฎแห่งกรรมก็พอแล้วไม่ต้องหรอกเชื่อกฎแห่งกรรมก็ไม่พอต้องเชื่อคำสอนของพระเจ้าคือต้องเชื่อศีลสมาธิปัญญาต้องมีศีลสมาธิปัญญาถึงจะสามารถบรรลุธรรมพระคันภีร์อริยบุคคลได้คำถามต่อไปจากคุณวิโรธเวลาเราฟังเสียงสวดมน นั่งฟังเฉยๆต้องผนมมือตามเสียงสวดด้วยหรือไม่ครับไม่ต้องก็ได้แต่ธรรมเดีมก็ผนมมือเราก็ต้องผนเมือบางสำนักเขาก็ไม่ผนมมือเขาให้นั่ง ส, สงบสติอารมณ์เช่นการฟังเทศบางแห่งเขาก็ผนมมือบางแห่งเขาก็ไม่ผนมมือเราก็ดูตามกาลเทศะไปหมดแล้วเนะี่ยโอเคถ้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา